ตอนที่30เคล็ดรับการค้าของแม่เล็กเพียงช่วงเที่ยงวันเดียวสุ ม, มานอินก็ขายเจียหมูไปได้ถึง300รอชิ้นในจํานวนนี้เป็นโรตเจียหมูสอ0รอยชิ้นทํารายได้สีหยวนและเจียหมูไส้มันฝรั่งเส้นอีกหนึชิ้นทำรายได้สิบหยวนเมื่อหักต้นทุนค่าเนื้อสิบกว่าช่างแป้งสาลีมันฝรั่งและอื่นๆแล้วนางได้รับกําไรสุทธิถึง20หยวนแม่เล็กพรุ่งนี้พวกเราเอาเนื้อที่เหลือมาทํำหมดเลยเถิดเจ้าคาโรตเจียหมูทำกำไรได้มากกว่าจริงๆ ชินเสี่ยวเยเวนับธนบัตรใบย่อยในมือด้วยความเบิกบานใจยิ่งนักส่วนเรื่องไส้เนื้อในเกี๊ยวของหัวหน้าสถานีเก่านั้นหัวหน้าสถานีกับตัวล่ําสันขนาดนั้นกินเนื้อน้อยลงหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะซูมานอินสกิจชินเสี้ยวเยเวเบาๆเยเด็กหน้าเงินคนนี้พอเห็นเงินเข้าหน่อยก็ลืมตัวเสียแล้วเสี้ยวจางน้ำเต้าหู้ของเจ้ายังมีเหลืออยู่หรือไม่จางช่วยฮวาทำหน้าเศร้าขาดทุนแล้วซูมานอินขมวดคิ้วด้วยความสงสัย ไม่น่าเชน่าค่าเห็นคนมาซื้อน้ำเต้าหู้ตัง้งเยอะแยะจะขาดทุนได้อย่างไรซูมานอินเดินเข้าไปใกล้แล้วเปิดฝาหม้อดูพบว่าข้างในว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยนี่มีเชื่อว่าขายหมดเกลี้ยงแล้วหรือก็เพราะขายหมดเกลี้ยงนี่แหละถึงได้ขาดทุนจางชุยฮวากล่าวด้วยความเจ็บใจข้านึกว่าไม่มีคนซื้อเลยทำมาแค่หม้อเดียวหากรู้เช่นนี้ข้าคงโม่ถั่วที่แชไว้ทั้งหมดมาขายเสียก็ดี ซูมานอินถึงกับพูดไม่ออกนางก็นึกว่าจางช่วยฮวาค้าขายล้มเหลวที่ไหนได้กลับกลายเป็นว่าสินค้ามีไม่พอต่อความต้องการเสียอย่างนั้นพรุ่งนี้จะก็เตรียมมาให้มากขึ้นหน่อยก็สิ้นเรื่องหากเหลือจริงๆพวกเราก็แค่ช่วยกันดื่มให้หมดเท่านั้นเองจางช่วยฮวาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตนเองมัวแต่ยุ่งจนลืมแบ่งน้ำเต้าหู้ไว้ให้พวกซูมานอินนางจึงยิ่งรู้สึกโกรธตัวเองมากขึ้นไปอีกนางนับเงินในกล่องกระดาษของตนเองได้12บองหยวนกับอีกสาเหมานั่นหมายความว่านางขายน้ำเต้าหู้ไปได้ถึง123ชาม สหายซูขอบคุณท่านมากค่าตัดสินใจแล้วต่อไปข้าจะขายน้ำเต้าหู้ซูม่านยิ้มยิ้มอย่างอ่อนใจเสี่ยวจางเจ้าสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ในะอย่างเช่นทำน้ำเต้าหู้ทันยพืชหรือจะลองทำเต้าหอยดูก็ได้หากดื่มแต่น้ำเต้าหู้อย่างเดียวนางไปคนเขาก็จะเบื่อเอาจางชว่วยฮาวาเบิกตากว้างนางไม่นึกเลยว่าหญิงสาวที่ยังดูเยาว์เช่นนี้จะมีหัวคิดทางการค้าที่ยอดเยี่ยมเพียงนี้นางพยายามอดกลั้นไว้แต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวจนต้องเอ่ยปากถาม คือว่าสหายสูข้าขอถามอะไรท่านสักอย่างได้หรือไม่นั่งถามออกไปทันทีโดยไม่รอให้สู่ม่านอินที่กําลังยุ่งกับการเก็บร้านตอบรับท่านทั้งยังสาวทั้งสวยทั้งยนฉลาดและเก่งกาจถึงเพียงนี้เหตุใดถึงได้ยอมแต่งงานกับตาแก่คนหนึ่งท่านหวังสิ่งใดกันแน่ที่สภัยจางคําพูดนี้ข้าไม่ชอบฟังเลยนะเจ้ากะซุนจิวหลิงได้ยินคนพูดถึงพ่อสามีของตนในทางไม่ดีก็รีบก้าวออกมาปกป้องทันที พ่อสามีของข้าเป็นคนดีที่มีชื่อเสียงในโรงงานทอผ้าเหตุใดจะไม่มีคนชอบเล่าเจ้าคะจางชุยฮาวารู้ตัวว่าพูดผิดไปจึงรีบแก้ตัวข้าไม่ได้รังเกียจพ่อสามีของเจ้าเพียงแต่รู้สึกว่าแม่เล็กของเจ้านางควรจะได้สิ่งที่ดีกว่านี้ซูมานอินถอนหายใจยาวในใจก็นึกอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าของร่างเดิมแต่งงานกับตาแก่คนนี้เพราะหวังสิ่งใดกันแน่ทว่าในความทรงจํากลับไม่มีเบาะแสใดๆเลยช่างเป็นปริศนาที่ไร้คําตอบเสียจริง วันที่สองทั้งโรเจียหมูและเจียหมูเส้มันฝรั่งเส้นยิงคงขายหมดอย่างรวดเร็วเช่นเดิมน้ำเต้าหู้ของจางช่วยฮวาก็เหลือเพียงก้นหม้อครั้งนี้นางตั้งใจนําชามขนาดใหญ่มาด้วยและตักน้ำเต้าหู้ให้ทั้งสามคนจนเต็มชามครั้งนี้ข้าใส่วลนัทลงไปด้วยลองดื่มดูสิว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างทั้งสามคนจิตเข้าไปคําหนึ่งแล้วรู้สึกว่ารสชาติดีมากไม่เลวเลยน้ําเต้าหู้วลนัทนี้เจ้าสามารถขายได้ในราคาหนึ่งเมาห้าเฟินต่อกระบวยนะ เอขึ้นราคาได้ด้วยหรือจางชุยฮวาทำหน้ามันงงข้าใส่ไปแค่วลานะสองลูกจะขึ้นราคาตั้งห้าเฟินมันจะเหมาะสมหรือซูมานอินถอนหายใจแล้วส่งสายตาให้ฉินเสี่ยวเย่เว่พี่สะายจางโร่เจียห ม, มัวกับเจียห ม, มัวไส้มันฝรั่งเส้นของพวกเราราคายังไม่เท่ากันเลยท่านคิดว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่เจ้าคะสมเหตุสมผลสินเนื้อมีค่าดังทองส่วนผักนั้นราคาถูกจะตายไปจางชุยฮวาครุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าใจทันที วรลนัดแพงกว่าถั่วเหลืองดังนั้นการขึ้นราคาจึงสมเหตุสมผลยิ่งนักเสี่ยวจางเจ้าสามารถขายทั้งสองอย่างควบคู่กันไปได้ขอเพียงรสชาติดีและมีโภชนาการผู้คนย่อมต้องเลือกซื้อเองซูมานอินให้คำแนะนำราวกับเป็นที่ใหญ่ทำให้จางชุยฮวาได้เปิดโลกระทัดใหม่อีกครั้งเมื่อซูมานอินเก็บร้านกลับมาถึงบ้านนางก็พบกระฉังเหอยือนรอนางอยู่ที่หน้าประตูรัว้วหัวหน้าสถานีกะลมพัดอะไรท่านมาที่นี่หรือเจ้าคะ เกาช้างเหอเห็นซูมานอินกับฉินเสี่ยวย่าวกลับมาก็ก้าวขาที่ยาวของเขาเดินตรงเข้ามาหานี่คืนเสื้อกล้ามให้เจ้าซูมานอินมองดูเสื้อกล้ามที่ซักจนสะอาดสะอา้านในมือใหญ่ของเขาแต่นางไม่ได้ยื่นมือออกไปรับคนก็ไม่อยู่แล้วข้าจะเก็บไว้ทำไมหากท่านได้รังเกียจก็ยกให้ท่านแล้วกันเจ้าคะ่ะเกาช้างเหอคิดดูแล้วก็เห็นว่าจริงจึงไม่เกรงใจและรับเงินไปโดยตรงยังมีอีกเรื่องพรุ่งนี้บ้านลุงหวังจะจัดงานแต่งงานแม่นางเสี่ยวเยเว่เจ้ายังจะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวอยู่หรือไม่ ชินเสี้ยวเยเวมองไปทางซูมานอินอย่างลังเลช่างมันเถอดข้าข้าเป็นแม่ไม้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวคงไม่เหมาะเกาช้างเหอร์ทอนหายใจยาวเสวังโทรศัพท์มาจากกองคนหมู่บ้านบอกว่าทางฝั่งเจ้าสาวพอได้ยินว่าหาแม่ไม้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ไม่ค่อยเต็มใจลุงหวังเองก็ไม่รู้จะอธิบายกับเจ้าอย่างไรดีลุงหวังช่างเป็นคนซื่อตรงจริงๆเป็นพวกเราเองที่พิจารณาไม่รอบคอบซูม่านอิงกล่าวอย่างใจกว้างแต่ว่างานแต่งงานพวกเรายังไปร่วมงานได้ใช่ไหม เรื่องนี้ไม่มีปัญหาพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปส่งพวกเจ้าด้วยตัวเองคงไม่ใช่รถแทรกเตอร์อีกนะพ่อชิงเสี่ยวเยเวนึกถึงรถแทรกเตอร์คันนั้นก็ในเขตขยะจนใจสั่นไม่ใช่ข้าไปยืมรถกระบะมาคันหนึ่งพวกเราขับรถไปกันเลยหัวหน้าสถานีเกาท่านช่างใส่ใจจริงๆเมื่อคุยทุระเสร็จเกาฉางเหอก็เข็นรถเตรียมจะจากไปแต่กลับถูกซูมานอินเรียเอาไว้ก่อนหัวหน้าสถานีเกาตอนเย็นเรียกพี่น้องในะสถานีมาด้วยกันสิคะ ซูมานอินยิ้มพลางกล่าวเกียวที่เคยรับปากพวกท่านไว้ถึงเวลาต้องทําตามสัญญาแล้วเก้าช้างเหอฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวเรียงรายตกลงเมื่อเขาขี่รถจากไปไกลแล้วฉินเสี่ยวยาวก็เกาะไหลซูมานอินแล้วถามด้วยความอยากรู้เพื่อนรักของแม่นะ้าเกียวนี่เจ้าจะเป็นคนหอเองหรือจะให้ข้าเป็นคนหอซูมานอินถลึงตาใส่ชินเสี่ยวเยเวทีหนึ่งยังจะโมยืนบื่ออยู่ทําไมไปเรียกครอบครัวจิวหลิงมาช่วยกันสิ ตอนเย็นเมื่อเกาฉางเหอมาถึงเขาก็ได้นําเซอร์พระใหญ่มาให้ซูม่านอินอีกครั้งตู้แช่แข็งซูม่านอินมองกล่องกระดาษบนรถกระบะที่มีตัวอักษรเขียนว่าตู้แช่แข็งหวาเม่ยหัวใจของนางก็อดไม่ได้ที่จะเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นดีเหลือเกินมีตู้แช่แข็งเครื่องนี้แล้วพวกเราก็สามารถเก็บของไว้ได้ตั้งมากมายส่วนชิ้นเสี้ยวย่าวกลับเบ้ปากอยู่ด้านข้างซู้ซื้อโทรทัศน์ยังดีกว่าเนื้อก็ขายหมดแล้วจะเอามาตั้งไวให้ดูสวยงามเฉยๆหรือ ซูมานอินผักชินเสียวเย่อไปทีหนึ่งเจ้าจะไปรู้อะไรพอมีตู้แช่แข็งหน้าร้อนพวกเราก็ขายเครื่องดื่มเย็นๆได้หน้าหนาวก็ได้กินผักใบเขียวฉินเสี่ยวเย่กรอกตาไปมาแม่หนาท่านช่างมีความคิดล้ำเลิศจริงๆบทสนทนาที่ดูเหมือนจะคุยกันคนละเรื่องของทั้งสองคนทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจหลายนายมองดูด้วยความสนใจมวยยืนบื่ออยู่ทําไมมาช่วยกันยกเข้าบ้านสิก้าช้างเหอออกคําสั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายนายจึงลงมาเริ่มขนถ่ายสินค้า ตาฮวาและเสี่ยวสวี่ต่างพากันเดินวงเวียนดูตู้แช่แข็งเครื่องนั้นไปมาหัวหน้าสถานีกับตู้แช่แข็งเครื่องนี้ราคาไม่เบาเลยใช่ไหมเท่าไหร่หรือ300เกาชังเฮอกล่าวตรงๆนี่เป็นของญาติข้าเขาตั้งทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ข้าเลยซื้อมาข่าสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วจะค่อยๆทยอยคืนข่าทีหลังก็ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายต่างมองหน้ากันในใจเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่เสี่ยวหวังบอกในโทรศัพท์ว่าหัวหน้าสถานีกับผู้เย็นชาราวกับต้นไม้เหล็ก ในที่สุดก็มีความรักกับเขาเสียทีนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยของมือสองเหรอชิ้นเสียวเย่เว่ยดึงใบรับรองคุณภาพออกมาดูแวบหนึ่งก่อนจะกล่าวอย่างรู้ทันงันยาดของท่านก็รักษาของดีจริงๆสภาพเยังกับของใหม่เลยแม้ซูมานอินจะไม่รู้ราคาที่แน่นอนของตู้แช่แข็งในยุคแปแต่ราคาต้องไม่ถูกแน่ๆเงิน300อยู่นี้เขาตั้งใจจะช่วยเหลือนางอย่างแน่นอนโจวเวยหมินเดินเข้าไปเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นั่งลงเกี้ยวใกล้จะเสร็จแล้วครับเชิญดื่มน้ําก่อน ไม่ต้องเกรงใจหรอกพวกเราน่าได้อานิสง์มาจากหัวหน้าสถานีเก่าทั้งนั้นแหละเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดคุยหยอกล้อกันโจว้วหมิ่นไม่นึกเลยว่าแม่น้าของตนจะสนิทสนมกับสหายจากสถานีตำรวจถึงเพียงนี้เก้าช้างเหอทะลึงตาใสา่เจ้าหน้าที่คนที่พูดเมื่อครูเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่รู้ความจึงรีบเข้าไปช่วยงานในห้องครัวเพียงครู่เดียวเกี้ยวที่ร้อนระอุจนคนกลุ่นก็ถูกย ก, ยกออกมาทุกคนล้อมวงกินพางพูดคุยกันทําให้ลานบ้านที่เคยเงียบเหงากลับดูครืครื้นขึ้นมาทันตา ที่หน้าประตูรั้วหวังเกวี้ยฮอเข็นรถพลังลอบสังเกตการด้วยสายตายเย็นชา ย, ยิ่งมองนางก็ยิ่งโมโหสุดท้ายก็สะบัดหน้าเดินจากไปด้วยความโกรธแค้นดีจริงๆนะซูมานอินคนนอกเจ้ากลับเชิญมากินข้าวแต่คนในครอบครัวเจ้ากลับไม่เหลียวแลมันจะเกินไปแล้ว